กิเลสตัณหาความชั่วร้ายทั้งหลายได้ก็เพราะมันขาดปัญญานี่เองเหตุที่ขาดปัญญากับพรเกียรคลานทำความเพียนทาง จ, จิตใจปล่อยใจให้พุ่งซ่านเลื่อนลอยไปไม่มีจุดหมายปลายทางเช่นนี้แล้วมันจะมาเห็นแจ้งใน กิเลสตัณหาความชั่วอันหมักมุมอยู่ในจิตใจของตวนี้ได้อย่างไรเล่ามันเห็นไม่ได้ขอให้เข้าใจกันดังนั้นทุกคนนะ่ะก็ต้องรู้กันแหละว่าบาปกรรมความชั่วทั้งหลายกิเลสทั้งหลายมันเป็นเหตุก่อให้เกิดทุกข์ แต่ผู้หลงผู้มา่มันถึงไม่สนใจเลยเมื่อกิเลสมันทำตนให้เป็นทุกข์อย่างไรตัว อ, อย่างไรมันไม่คิดไม่อ่านเอา้ากิเลสมันทำมันยั่วให้โลภ ก, ก็โลภไปมันยั่วให้โกรธก็โกรธไปมันยั่วให้หลงก็หลงไปอืมแ่ น, นี้แหละ มันยวให้มัวเมาไปเห็นผิดเป็นชอบไป่องต่างนั้นมาก็เห็นไปตามมันบางทีก็เชื่อตามผู้อื่นไปผู้อื่นเขาว่าอย่างนั้นดีนะอย่างนี้ดีนะก็เห็นดีไปกับเขาเพราะว่าตนไม่มีปัญญาที่จะวินิจฉัยในเรื่องที่มันปรากฏมานั้นนะผิดหรือถูกดีหรือชั่ว ตนก็ไม่รู้เอาผู้อื่นเขาว่าผู้อื่นว่าอย่างไรก็ไปตามอย่างนั้นบางทีก็ไปเจอไอ้ผู้ที่มีความเห็นผิดเข้าก็หลงผิดไปตามเขาอย่างนี้ถ้าเป็นเจอพูดเห็นถูกเห็นชอบก็ยังชั่วน้อย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 พร้อมใจกันปฏิบัติจิตใจของตนสำมรวมจิตฝึกจิตของใครของเราให้เข้าถึงถความสงบนี่นั่นเป็นหนทางความเจริญได้พระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสแล้วว่าพร้อมสมัครสมานสามัคคีการประพฤติคุณงามความดีของคน ของคนหมู่มากนะ่ะนำมาซึ่งความสุขนี่เราจะมีความสุขได้ก็จะว่ามันจึงอยู่รวมกันเป็นหมู่เป็นคณะไอ้ผู้ที่อยู่คนเดียวนี่มีน้อยในโลกอันนี้นะ่ะมีแต่พวกือษีชีพัยที่ต้องการบำเพ็ญกสิณฌานในเกิดขึ้น แล้วเพื่อนก็หลีกเล่นไปอยู่ในป่าเขาลำนาวไพที่ห่างไกลจากคนรับทานผลไม้ต่างๆแทนข้าวออย่างนั้นเน่ะผู้ที่มุ่งฐานสมาบัติอย่างนั้นเน่ะเหมาะสมไปอยู่ผู้เดียวนะ่ะเพราะว่ามุ่งความสงบเป็นที่ตั้งมุ่งความสงบอย่างยิ่งนะไม่ใช ไม่ใช่สงบธรรมดาสงบอยู่ด้วยฌานท่านผู้วันรู้ฌานแล้วท่านจะอยู่ได้เจ็ดวันสิบห้าวันท่านอธิษฐานเอาทั้งก็อยู่ได้เป็นอย่างนั้นคือนั่งอยู่อิทิยาบทเดียวนะไม่ลุกไปไหนอะได้อยู่สามวันเจ็ดวันนูน่นอย่างนี้นะ นั่นจึงเรียกว่าเป็นผู้ได้บรรลุฌานสมาบัติแปดรูปฌานสีอรูปฌานสีอย่างนี้ผู้ที่ไม่ได้บรรลุฌานสมาบัติอย่างว่านั่นจะนั่งอยู่ตลอดสามวันสามคืนเจ็ดวันเจ็ดคืนนี่ไม่ได้เพราะว่าจิตใจมันสัมผัสกับรูปส่วนหยาบอยู่ รูปส่วนหยาบนี่มันแปรปวนกระทบกระทั่งอยู่นั่นน่ะมันจะไปอยู่ได้ยังไงเกิดทุกขเวทนาส่วนฌานสรรมะตัณฑ์จิตใจมันดิ่งเข้าไปสู่อารมณ์อันละเอียดอืเมื่อใจมันได้รับอารมณ์อันละเอียดเข้าไปแล้วมันก็ไม่สัมผัสกับกายหยาบนี่นี่แหละจิตใจก็ส ง, งบเข้าไปอย่างละเอียดละอ มันเป็นอย่างนั้นมันมีขั้นตอนสำหรับผู้ที่บมเพ็ญฌานในเกิดไม่ได้อย่างนั้นก็แล้วก็ทำความสงบนั่งสมาธิภาวนาพอสมควรอย่างนี้เนะี่ยเมื่อเมื่อนั่งสมาธิเข้าไปทำจิตให้สงบลงไปแล้ว เห็นว่าจิตตั้งมั่นโดยดีแล้วไม่บกเวกไปทางอืน่เนเนี่ยก็เจริญปัญญาบบ น, นี้นะฝึกหัดคิดหัดพิจารณาอย่าไปสมวยแต่ความถุกอันเกิดจากความสงบอยู่อย่างเดียวมันไม่มีปัญญาเราต้องหัดคิดหัดพิจารณาเมื่อเราสงสัยสิ่งใดก็หยิบยกเอา สิ่งเรื่องนั้นมาพิจารณาถ้าจิตมันสงบตั้งมั่นลงไปจริงๆมันก็จะรู้แจ้งในเรื่องที่ยังไม่รู้ชัดมาแต่ก่อนนั้นนะมันสามารถรู้ได้มเมื่อจิตตั้งมั่นลงแล้วเรานึกพิจารณาอะไรปัญญามันก็โผล่ขึ้นมาบอกให้รู้ว่าเรื่องนั้นเป็นอย่างนั้นเรื่องนี้เป็นอย่างนี้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 เมื่อเราสงสัยกับพิจารณาก่อนที่ก่อนจะยืนยันว่าทุกข์มีจริงอ่ะทุกข์นี่เป็นยังไงอย่างนี้นะมีลักษณะอาการอย่างไรโอ้ทุกข์ขังนี่ท่านแปลว่าทนได้ยากทนลําบากอย่างนี้นะอะไรแล้วทนได้ยากกดร่างกายอันนี้หลยจิตใจนี่แหละมาอาศัยอยู่ในร่างกายนี่ทนได้ยากลําบากจริงๆ เพราะอะไรนะเพราะร่างกายมันไม่เที่ยงนี่นะถ้าร่างกายนี่มันเที่ยงจิตที่อาศัยอยู่ในร่างกายนี่มันก็ไม่ลำบากมันก็อยู่เป็นสุขสบายได้ตลอดการนานแต่นี่เพราะร่างกายนี่ไม่เที่ยงแปรผันอยู่อย่างนั้นกระทบกระทั่งกับจิตนี่อยู่เสมอ เมื่อเว้นเสียใจจิตของท่านผู้รู้เท่าเท่านั้นแหละผู้ที่ได้ฝึกให้จิตสงบระงับลงไปปัญญาเกิดขึ้นเห็นแจ้งว่าร่างกายสังขาร น, นี่ประกอบไปด้วยธาตุดีดินน้ำไฟลมหรือธาตุหกวิญญาณธาตุอากาศธาตุไอธาตุทั้งหลายเหล่านี้ล้วนแต่เป็นของ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 จุดมุ่งหมายของการภาวนาก็เพื่อที่จะให้รู้เท่าทุกนี่แห ล, ละทุกปีกย่อยก็ยังมีอยู่มากมายแต่เมื่อเรารู้เท่าทุกส่วนใหญ่นี้แล้วส่วนย่ยอยๆมันก็รู้เท่าไปเองมันแหละอืเช่นความโศกเศร้าเสียใจเพล่ลำลําพันธ์ต่างๆหมูนี้นะผมคับแค้นใจต่างๆมูนี้มันเกิดจาก ไอ้ความไม่รู้แจ้งในขันห้านี่แหละมันสําคัญจาเป็นของเราเมื่อสาคัญจาเป็นของเราเลยวะนี่มีใครเข้ามาด่าเข้าไปอย่างนี้ก็วีตกวิจารณ์ว่าเขาด่าเราเขาเบียดเบียนเราอย่างนี้นะนี่แหละความความไม่รู้แจ้งนความหลงสําคัญว่าขันห้านี่เป็นของเราเมื่อ ถูกกระทบกระทั่งมามันก็เป็นทุกข์สิวะนี้นะเป็นทุกข์เปล่าๆมันก็ยังไม่แล้วโกรธอีกพยาามัตรอีกจองเวรกันไปอย่างนี้นะเนี่ยถึงว่าทุกข์กายทุกขนะ์ใจนั่นแหละเมื่อรู้เท่าขันหน้านี่ปล่อยวางตามสภาพไม่ถือว่า ใครแก่ใครเจ็บใครตายไม่ถือว่าไม่ไม่ถือว่าคนว่าสัตว์ที่ว่าคนว่าสัตว์กันว่าโดยสมมุติตหานนี่การพิจารณาจเจริญปัญญานะสอนจิตให้รู้เท่าทุกข์ตามธรรมดาอย่างนี้แล้วปล่อยวางไว้ตามสภาพ ไม่ยึดมั่นไม่ถือมั่นแล้วจิตก็อยู่พอจิตแลยจิตก็มีหน้าที่รู้เท่าร่างกายนี้ตามเป็นจริงอย่างนี้แหละเมื่อมันรู้เท่าร่างกายส่วนใหญ่แล้วส่วนย่อ ย, อยอย่างว่ามันก็รู้เท่ามันก็ไม่ว่ามันจะพิดหวังมันจะถูกเขาด่าว่าเสียสีอะไรมันก็ รู้แจ้งแล้วว่าเขาไม่ได้ด่าเราเขาด่ารูปกาย น, นี้ต่างหากเขาไม่ได้ำหนิตีเตียนเราเนะเราไม่มีอยู่ในร่างกายอันนี้ร่างกายอันนี้ประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมต่างหากกับปัญญามันเกิดขึ้นมันเห็นแจ้งแล้วมันก็สอนจิตอย่างนี้นะจิตรู้แจ้งตามปัญญาแล้วมันก็ไม่หวั่นไหวอะไรแบบนี้นะไม่ทุกข์ไม่โศก เพราะมันรู้แจ้งเราไม่ไม่มีใครตายนี้ดินน้ำไฟลมมันแตกแยกออกจากกันตังหากอ น, นามมธรรมคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้มันก็อยู่ในจำพวกขันห้าเมื่อรูปแตกน้ำก็ดับไปมันก็จะมีอะไรแล้วเป็นสิ่งที่ควรหวงแหนควรเสียใจยหรือควรควรสะดุ้งหวาดกลัว ไอ้ผู้มีปัญญาเห็นแจ้งเราก็ไม่กลัวแหละกลัวอะไรก็ธาตุสี่ขันธ์มันแปรพนแจกดับไปตามหาดก็กลัวก็แตกดับไม่กลัวก็แตกดับอย่างนี้มันไม่ใช่ของเรามันบังคับไม่ได้ออก็ไม่ต้องกลัวแะนั่นแหละดีถ้ากลัวแล้วเป็นทุกข์แหละอันนี้ออถ้าไม่กลัวแล้วไม่เป็นทุกข์มันเป็นยังั้นต้อง ได้ปัญญาสอดส่องมองดูในอริยสัจจะทำทั้งสี่พระพุทธเจ้าจึงนิแสดงทุกข์ขึ้นก่อนนั่นแหละก็เพราะว่าทุกข์นี่มันมีปรากฏเห็นได้ชัดๆเลยอร่างกายทั้งก้อนอันนี้เป็นก้อนทุกข์ทั้งนั้นเลยอย่างนี้แล้วอันดับที่สองกตัญหานี่ทำไมยังแสดงตัญหาไว้อันดับที่สอง เพราะตัณหามันเป็นเหตุให้ทุกข์ต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นนะตัณหาเป็นเหตุให้จิตใจอยากได้อะไรต่ออะไรเมื่อมันอยากได้แล้วมันไม่ได้สมหวังก็ยึดถือไว้ในใจนั่นแนะหละยึดไว้พอยึดไว้อย่างนี้มันก็เป็นตัวกรรมนั่นแหละกรรมเหล่านี้นะ่ยนำไปเกิดอีก มันเป็นอย่างนั้นเกิดมามีขันห้าแล้วก็ไม่เที่ยงไม่ยังยืนเป็นทุกข์ทนญาติอย่างนี้อีกถ้าขืนยึดถือต่อไปอีกก็ไปทํากรรมดีกรรมชั่วกรรมดีกรรมชั่วก็อนนำดวงกินนี่ไปเกิดในขันห้าอีกอืเกิดมาแล้วก็ได้มาสู้ทุกข์ยากลําบากกันอยู่อย่างนี้อีกอย่างนี้นะ พระเทธเจ้าจึงได้ทรงตรัสไว้ว่าทุกขาชาสีปูนับปูนัง ừ, การเกิดขึ้นบ่อยๆมันเป็นทุกข์ทุกข์หลายผู ừ, ้เจริญวิปัสสนาปัญญามันก็ต้องพิจารณาทุกข์นี่แหละก่อนอื่นเลยเพราะมันเห็นได้ชัดๆอย่างที่ว่านี้เลยทุกประจำวันทุกประจำเวลามีอยู่อย่างนี้นะ ทำไมจิงไม่เห็นล่ะผู้ภาวนาทาใจสงบลงไปแล้วจิตก็อาศัยในร่างกายนี่ทำไมซึงจะไม่เห็นทุกข์ไอ้ที่พูดที่ไม่เห็นทุกข์นั่นก็เพราะเหตุว่าไ ม, ไ, ม ไ, ม ไ, มไม่ได้ฝึกใจให้หนักแน่นให้ตั้งมั่นลอยให้ใจตกไปในอำ น, นาจของกิเลสทันหา ที่เนตันถามกระจูงใจให้คิดท่านไปทางอื่นนุ่นใจไม่เรียกว่ามันส่งไปตามสัญญาอารมณ์ต่างๆนุ่นไม่ได้กำหนดรู้เรื่องของร่างกายนี่เลยแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้มันจะไปรู้ทุกมันจะเบื่อทุกในร่างกายนี้ได้อย่างไรแล้วนี่แหละสำคัญมากให้พากันเข้าใจถ้าเรามาเพ่งจิตนี้ให้ สงบตั้งมั่นอยู่ภายในนี่ให้มันแน่วแน่อยู่แล้วยงนี้ไห้ร่างกายนี่มันแปรปรวนไปอย่างไรจิตก็รู้ทางนั้นเลยแบบนี้นะจิดรู้แลวจึงมันจึงเกิดนิพพทาเบื่อหน่ายขึ้นนั่นไนงะเออเรานี่มาอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงหนออย่างนี้นะเรานี่มาอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงมันถึงได้ทนทุกข์ได้ยากลาบากอย่างนี้แหละ ทำยังไงเราจึงจะพ้นไปได้อืมก็ดำริกเข้าไปแหละผู้มีปัญญาเนะ่ะเออที่พระพุทธเจ้าสอนว่าที่จะพ้นไปได้ก็อย่าไปสําคัญว่าขันห่านี่เป็นตัวเป็นต้นให้เพ่งที่นะ่าให้เห็นเป็นแต่เพียงสภาว ธ, ธ, ธรรมอาศัยกันอยู่อาศัยบุญกรรมบาปกรรมเป็นเครื่องตกแตง่ง ขึ้นมาเมื่อบทเหตุปัจจัยคือหมดบุญหมดกรรมเหล่านั้นแล้วรูปนามนี้็ยมตั้งอยู่ไม่ได้ยมแตกดับทําลายไปนี่นหละปัญญาพิจารณาเห็นแจ้งชัดลงไปอย่างนี้แนละ้วมังกรไม่หลงแล้วไม่วันไว้ไม่สะดุ้งหวาดกลัวต่อความตายหรือไม่ทนทุกข์ทรมานต่อความเจ็บป่วยไข้ เมื่อร่างกายนี้วิบัติลงก็อดกั้นทนทานเอาทำยังไงเราหากักหลงมาอาศัยมันอยู่แล้ววันนี้เรารู้แล้วว่าไม่ใช่ของเราเราจะอดทนเราไม่หวนไว้ไปตามมันมเพราะไม่ใช่ของเรานี่ยจะหวนไว้ไปทำไมอะ่ะเราจะอดกั้นทนทานตอ่อความวิบัติแปรพลปันของร่างกายนี้ อธิษฐานใจลงไปอย่างนี้แล้วก็อดกั้นทนทานไปไม่เศร้าโศกเสียใจเช่นนี้ก็ผู้นั้นก็เป็นผู้มีสติเต็มที่อยู่ในตัวรลวบนี้นะไม่ลืมตัวแล้วเพราะไม่วันไว้ตัวทุกขเวทนามันก็รู้ตัวอยู่สินั่นแหละเมื่อมันรู้ตัวอยู่นั่น เ, นเวลาก้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 คือมันละเหตุแห่งทุกข์แหละออกจากคิดใจได้เมื่อใจหมดอยากหมดความปรารถนาโลภการทั้งปวงแล้วนี่แหละความทุกข์ใจก็ไม่มีแล้ววันี้นะแล้วความเกิดอีกก็ไม่มีวะนี่เมื่อตัณหาดับหมดโดยสิ้นเชิงแล้วทุกทั้งหลายก็ดับไป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 มันอยากได้รูปได้เสียงได้กลิน่นได้รสได้เครื่องสัมผัสในโลกนี้บางทีมันก็อยากได้รูปเสียงกลิ่นรสอันเป็นทริปในโลกหน้าต่อไปนี่ตัณหาความอยากดังกล่าวานี่แหละที่มันเป็นเหตุให้คนเราทำกรรมดีกรรมชั่วแล้วกรรมดีกรรมชั่วก็นาไปเกิดตามจิตต้องการ เอา้ามันมันอยากเป็นคนอีกอย่างนี้แต่ถ้าทําความดีเข้าไปพอสมควรกรรมดีนี่มันก็นําให้มาเกิดเป็นคนอีกอย่างนี้นะนี่แหละท่านก็ว่าปัญหาประเภทอยากเป็นคนอีกอย่างนี้มันก็มันก็ไม่ถูกทางมันเป็นอย่างนั้นอพอมันอยากเป็นคนอยากเกิดมาอีกแล้วก็คล้ายๆกับว่าอยากแก่อยากเก็บอยากตาย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 ก็พยายามถอนจิตใจให้พงให้วางขันหานี่เข้าไปแล้วก็ขันหานี่ก็บำรุงมันเลี้ยงมันตามธรรมดาแล้วเราไม่ใช้มันทำบาปหาปัจจัยเครื่องอาศัยแต่โดยทางที่ชอบโดยศีลโดยธรรมมาเลี้ยงมัน ม, มันได้ยังไงมาก็เลี้ยงมันไปอย่างนั้นนี่แ ไม่ทะเยอทะยานแสวงหาปัจจัยสี่มีอาหารเป็นต้นในทางที่เป็นบาปเป็นกรรมมาเลี่ยงมันเพราะว่ามันจะเป็นบอกเกิดแห่งทุกข์ต่อไปนี่เมื่อคิดได้อย่างนี้แล้วถ้าสมมุติว่าเป็นผู้คลองเรือนก็ย่อมเป็นผู้มีสินห้าบริสุทธิ์แล้วมั่นใจอยู่ในสินห้า อือเพราะว่ารู้แล้วนี่ว่าขันนีขันห้านี้ไม่ใช่ของเรานี่แล้วจะพานไปทําบาปกรรมทําไมเมื่อพาขันห่านี่ไปทําบาปกรรมความชั่วแล้วขันห้ามันไม่ได้รับผลด้วยนะมันแตกดับทําลายไปบาปกรรมนั่นมันให้ผลแก่ทางจิตใจนี่นั่นแหละเผาใจนี่ให้เป็นทุกข์เดือดร้อนไปในภพในชาติแล้วมันเป็นงั้น แตเป็นนักบวชก็ต้องหาเลี้ยงชีพโดยทางที่ชอบเที่ยวภิกขาจา์บินทบาตเลี้ยงชีพใครมีศรัทธาใส่ให้อย่างไรก็ยินดีพิจารณาลู้เท่าบริโภคไปพอประทังชีวิตไปวันวันคืนคืนพอได้ทำความเพียรละกิเลสตัณหาให้หมดไปสิ้นไป ไม่ใช่ว่าเราจะมาชันอาหารเพื่อให้อ้วนให้ทีเพื่อให้มีกำลังวังชาดีหรือเพื่อให้สวยให้งามถ้านักบวชเราได้ไปคิดอย่างนี้แล้วก็ไม่แหละไม่ไ ม, ไม่ไม่ใช่หนทางบนทลกแล้วเป็นการสะสมกิเลสให้หนาแน่นขึ้นในตนตลอดปัดจจัยทั้งสี่นะเพะั่ะ ต, ต้องพิจารณาให้รู้เท่ารเราอาศัยอยู่ทั่วเขาตอนนั้นเลมแล้วก็บพี่นาลงให้มันเห็นเป็นเฉพาวะวธาตุไปนู่นให้มันเห็นลงเป็นาธาตุดินไปนู่นผ้าหนุ่งผ้าห่มอาหารที่นอนที่นั่งยุกยาแก้โรคภัยต่างๆอันนี้ก็เป็นาธาตุดินาธาตุน้ําไม่ใช่เป็นอะไร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 นี่แหละแม้จะเป็นนักบวชก็ดีเป็นครือขัดก็ดีก็เรียกว่าเราเดินทางสายเดียวกันนี่แหละไม่ใช่เดินคนละสายกันหาม่ได้ก็สายเดียวส่พอต่างคนก็มีขันห้ามกันนี่ผู้เป็นนักบวชก็ออกมาจากคารวะนั่นเองจากครือขัดนั่นแหละมาบวชก็ดีก็ มีขันธ์หน้านี่เป็นที่อาศัยของดวงจิตผู้คล้องเรือนก็มีขันธ์ห้าจิตมาอาศัยอยู่ขันธ์หน้านี่เหมือนกันแล้วก็มีแก่มีเจ็บมีตายเหมือนกันมีความอยากได้อะไรต่ออะไรเหมือนกันนี่ดังนั้นแหละการละกิเลสตัณหาไม่ว่าไม่แปลกจากกันเท่าไหรนะ่นักต่างแต่ว่า เดนนักบวชนี่อาจจะมีโอกาสละกิเลสได้มากกว่าผู้คลองเรือนเนื่องจากว่าพรงภาระอันหนักลงไปหลายอย่างมีภาระเบาอย่างนั้นฉังนั้นถ้าผู้ใดอยากพ้นทุกข์โดยรวดเร็วอย่างนี้ก็ต้องสละบ้านเรือนออกมาบวชแหละ เพราะว่าการอยู่ครองเรือนมีภาระอันหนักมากมีจิตใจผูกพันอยู่กับการทำ ง, งานกับหมู่กับคณะอะไรต่ออะไรเป็นพืชไปจนแทบจะไม่มีเวลาที่จะมาทำจิตใจของตนให้สงบระ ง, งับได้เลยนี่สำหรับผู้ที่มีอินทรีย์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 ดังนั้นผู้ที่มีอินทรีย์แก่กล้าเข้าไปแล้วบุญบา ร, รมีนี่ยมันถดนใจให้เห็นทุกเพนภัยนววตารสงสารนี่มันถกอยากประพฤติปฏิบัติทรรมเมื่อได้ฟังคำสอนของพุทเเจ้าแล้วก็เข้าใจแนวทางปฏิบัติได้ตรงมีศรัทธาอยากประพฤติปฏิบัติรม นี่การประพฤติปฏิบัติรรมขั้นสูงขึ้นไปจะอยู่คลองเรือนนี่ไม่เหมาะสมเลยดังนั้นถึงได้หนีออกบวชการบวชนี่ก็จะมันมีหลายประเภทไอ้ผู้ที่เห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารจริงๆเราบวชเข้ามาหวังว่าอยากกับฝึกกายวาจาใจของตนให้ตรงต่อธรรมต่อวินัย เดีวตนจะได้พ้นจากกิเลสและกองทุกไปได้เร็วขึ้นอย่างนี้ก็มีอย่างนี้นะมันมันไม่เหมือนกันวาสนาบา ร, รมีที่สร้างมายิ่งกว่ากันย้อนกว่ากันอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นเราจะไปบังคับให้คนหมูมมากนี่ให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 ดังนั้นเราจึงได้อนุโลมปฏิโลมต่อกันการบำเพ็ญบุญกุศลก็พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสแสดงไว้ให้เหมาะสมกับบุคคลทุกชั้นทุกประเภทไปเลยอย่างนี้นะเดี๋ยวศาสานาของพุทธเจ้านี่กว้างใหญ่ไพศาลมากเดี๋ย ว, วบุคคลประเภทไดๆก็ รับเอาไปปฏิบัติได้ถ้ามีศรัท ธ, ธานะนั่นเนี่ยไม่เหลือวิสัยอา้าผู้ยินดีในการบริจาคทานเท่านั้นก็อา้าททำไปนี่แต่ผลของทานนั้นมันก็มันก็จะอำนวยความสุขให้เหมือนกันแหละแต่ว่าเมื่อไม่รักษาศีลเราไปทำบาปเข้าไปแบบนี้บาปนั้นมันต้องให้ผลอ บุญก็ให้ผลคนลทีกันเมื่อบุญให้ผลหมดลงไปแล้วบาปก็ให้ผลสืบตอ่อผู้นั่นก็ได้เสวยทุกไปอย่างนี้นะนี่แหละ ถ, ถ้าผู้ใดไม่อยากได้เสวยทุก์อันเกิดจากบาปจากกรรมชั่วเหล่านั้นแล้วเอา้าตั้งใจรักษาศีลเข้าไปอย่างนี้นี่ผู้ผู้มีศรัทธาแรงกล้ามันก็เอารักษาศีลได้วะนี้ รักษาศีลให้บริสุทธิ์ได้เอารักษาศีลก็ไปแล้วบนี้อบรมบ่อมอินทรีฟังเทฟังทำใบมาพิจารณาเห็นว่าเอรักษาแต่ศีลรักษากายแต่รักษาแต่กายวาจาเท่านี้ไม่รักษาใจใจก็หมดพุ่งสั้นเลื่อนลอยอีกแล้ว ใดนี้ยิ่งเป็นใหญ่กว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นใหญ่เป็นประธานของบุญและบาปของสุขและทุกข์ทั้งหมดเลยแบนี้ผู้มา พ, าพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วเออเราจะมาฝึกตะกายวาจาไม่ได้หรอกตัวสำคัญจริงๆเราคือใจหรือจิตผู้ ม, มีอินทรีย์แก่กล้ามก็เห็นไปอย่างนั้ น, นะบบนี้นะ มันจึงพอใจในการไหวพระนั่งสมาธิภาวนาเข้าไปฝึิกจิตจิตนี่มันเป็นของฝึกยากยากกว่าฝึกช่างมาวัวควายต่างๆนานามหมดนั่ะฝึกยากแต่ถ้าฝึกได้แล้วมันดีมากฝึกได้แล้วมันดุคนทุกข์ไม่มีทุกข์ นันและเรื่องนั้นขอให้พากันเข้าใจเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วขอให้พากันตั้ง อ, อกตั้งใจฝึกจิตใจของตนไปตามที่แนะนำมานี้ก็จะพ้นทุกข์ไปโดยลำดับลำดับดังแสดงมา